เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างสถานีวิทยุครับคลัวกล่าวซอร้ฟมร้กข้าพเจ้าพระมาหาไพบุณอภิพุนโนจากวัดป่า ด, ดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและในวันจันทร์ถึงวันศุกร์สัปดาห์ละ5วันมาพูดคุยกันให้ฟังเรื่องราวสิ่งที่เป็นธรรมะซึ่งธรรมะนั้นจริงๆแล้วแฝงอยู่ในทุกเรื่องทั้งหมดคือคําสอนของพระพุทธจ้าเนี่ย เป็นการประเปิดให้เราเห็นธรรมะในสิ่งต่างๆที่แอแฝงอยู่แต่เราจะไปกินข้าวรับประทานอาหารพบปะพูดคุยติดต่อการงานหรือเดินทางจากที่ไหนไปสักที่หนึ่งตรงนั้นอาจจะไม่ได้มีบทเพียญยชนะเป็นพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าติดอยู่แต่ธรรมะมีอยู่ตรงนั้นแน่นอนธรรมะเกิดขึ้นนะตรงนั้นแน่นอนแต่จึง จะต้องมารู้มาฟังคําอธิบายคําบอกคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนละว่าที่ว่ามันมีอยู่เป็นอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเป็นยังไงให้เรามีการทําความเข้าใจซึ่งในการทำความเข้าใจเหล่านี้มันก็ที่ยากบ้างก็มีง่ายบ้างก็มีแต่ซึ่งในกระบวนการการทำความเข้าใจเนี่ยก็ต้องมีการอธิบายขยายความมีเรื่องราวเพิ่มเติมต่างๆในช่วงของวันจันทร์ถึงวันพุธนี้ครัพุทธเจ้าก็จึงนําเรื่องราว ที่เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วก็มีคําอธิบายที่เป็นนิทานบ้างเป็นเรื่องเล่าบ้างมาประกอบกับคาถาคําพูดที่เป็นพุทธพจ น, น์นั้นๆของพระพุทธเจ้าแต่ก็บางทีพระพุทธเจ้าตรัสคําที่เป็นคํากลอนเหมือนอย่างเราบางทีเกิดครืมๆึมมีอารมณ์ดีก็แต่งกลอนแหรือว่าโครงสสุภาพอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เป็นลนักษณะนี้เหมือนกันท่าผู้ฟัง พระบรมชาติพงศ์ดีท่านก็แต่งกรอนขึ้นมาแซึ่งแน่นอนเป็นกรอนที่เป็นธรรมะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นคาถาแต่เป็นบทร้อยกลองที่เป็นคำร้อยกันมาก็จะมีคําอธิบายแหละ ว, ว่าที่ท่านตรัสบอกมานั้นปรารบเหตุอะไรมีความหมายอย่างไรอย่างไรวันนี้เรื่องที่จะมาให้ท่านผู้ฟังฟังนั้นก็เป็นเรื่องของภิกษุณีท่านหนึ่งชื่อว่านางกุณฑนเกสี เป็นภิกษุณีคือในภายหลังท่านได้เป็นภิกษุณีละแต่ว่าเรื่องราวของท่านนั้นแม่มีความผาดโผลนโชคโชนมากและเริ่มตั้งแต่ความเป็นเด็กสาวเด็กสาวนี่ก็ใจแตกจะเอาแต่ใจตัวเองรักชายหนุ่มที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบพ่อแม่ไม่เห็นด้วยก็จะฟืน้นเอาสุดท้ายไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองหวังแต่ถึงขนาดต้องลงมือฆ่าสามีของตนจึงต้องหนีไปบวช บวชนี้ก็ไม่ได้บวชในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยแต่บวชเป็นปริภาชิกาคือปริภาโชคที่เป็นผู้หญิงจนกระทั่งได้มาเจอท่านพระสารีบุตรถึงได้ฟังธรรมะศึกษาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ในกถาที่พระพุทธเจ้าอธิบายในที่นี้ก็คือว่าถึงแม้บทแห่งธรรมะที่ไม่ได้มากอะไรแต่เป็นบทสั้นๆแต่ถ้าไอ้บทสั้นเนี้ย เราเข้าใจความได้เนี่ยแม่มันดีกว่าบทอะไรที่อธิบายเป็นยืดยาวมีเรื่องราวต่างๆมากมายแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์เนียาวแต่ไม่เกิดประโยชน์สู้สั้นๆนิดเดียวแต่เกิดประโยชน์เนี่ยมันดีกว่าเรวมาฟังเรื่องของนางกุลทนเกสีลำบูฟังพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงบารอบนางกุลทนเกสี ตรานพระธรมเทศนานี้ว่าโยจะขาถาสตังภาเสอนทะทะปทสันหิตาเอกังธรรมะปะทังเฉยโ ย, ยยังสุตวาอุปสัมมติโยสะอาดสังสะอดเสนะสังคาเมมานุเสชิเนเอกันจักเฉยยมัตตานัง สะเวสังขามชุตตโม่กผูใดพึงกล่าวกาถาตั้งร้อยซึ่งไม่ประกอบด้วยบทเป็นประโยชน์บทแห่งธรรมบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบประ ง, งับได้ประเสริฐกว่าการกล่าวกาถาตั้งร้อยของผู้นั้นผู้ใดพึงชนะมนุษย์พันหนึ่งคูณด้วยพันหนึ่ง คือหนึ่งล้านในสงครามผู้นั้นหาชื่อว่าเป็นยอดแห่งชนผู้ชนะในสงครามไม่ส่วนผู้ใดชนะตนคนเดียวได้ผู้นั้นแหลเป็นยอดแห่งผู้ชนะในสงครามตอนทีดาเศรษฐีได้โจรเป็นสามีดังได้สดับมา ทิดาเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราช จ, จุรืมีอายุย่างสิบหกปีมีรูปสวยน่าดูก็นารีทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในวัยนั้นย่อมมีความฝากไฟในบุรุษโลเลในบุรุษครั้งนั้นมารดาบิดาให้ทิดานั้นอยู่ในห้องอันมีสิริบนพื้นชั้นบนแห่งประสาท จชั้นได้จัดทาสีคนเดียวเท่านั้นให้เป็นผู้บำรุงบำเรอนางกลางนั้นพวกราชบรุษัจบจะกุลบุตรคนหนึ่งผู้กระทำจรกรรมได้มัดมือไพรหลังโบยด้วยหวายครั้งละสี่เส้นสี่เส้นแล้วนำไปสู่ที่สาหรับฆ่าธีราเศรษฐี ได้ยินเสียงของมหาชนคิดว่านี่อะไรกันเนาะแลยืนแลดูอยู่บนพื้นปราสาทเห็นโจร น, นั้นแล้วก็มีจิตปฏิพัทธ์ปราถนาอยู่ห้ามอาหารแล้วนอนบนเตียงลำดับนั้นมารดาถามนางว่าแม่เจ้านี้เป็นอะไรกันที่ดาเศรษฐีจึงกล่าวว่า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 สำหรับดิฉันไม่มีดิฉันเมื่อไม่ได้บุรุษคนนี้ก็จะตายมานดานั้นเมื่อไม่อาจทาที่ดาให้ยินยอมจึงได้บอกแกบิดาถึงบิดานั้นก็ไม่อาจทาที่ดานั้นให้ยินยอมได้จึงคิดว่าเราจะกระทําอย่างไรได้จึงได้ส่งห่อพันธะพันหนึ่งแกราชบุรุษ ผู้ให้จับโจรนั้นแล้วเดินไปอยู่ด้วยคำว่าท่านจงรับห่อพันทะนี้ไปแล้วให้บุรุษคนนั้นแก่ฉันกรราชาบุรุษนั้นรับคาว่าดีแล้วก็รับกหาปณ ะ, ะแล้วปล่อยโจรนั้นไปข้าบุรุษอื่นแล้วกราบทูลแก่พระราชาว่าขอเดชะข้าพระองค์ข้าโจรแล้วแม่เศรษฐี ก็ได้ให้ทิดาแกโจนนั้นแล้วนางมีความคิดว่าจะยังสามีให้ยินดีจึงตกแต่งด้วยเครื่องประดับทั้งปวงจัดแจงยาคูเป็นต้นแกโจนนั้นเองที่เดียวโดยการล่วงไปสองถึงสาวันโจนมีความคิดว่าในการไรน้อแลเราจะได้ฆ่าผู้หญิงคนนี้ถือเอาเครื่องประดับ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 ธิดาเศรษฐีก็มารดาบิดาของที่ฉันโกรธท่านแลหรือโจรไม่ได้โกรธหลอกนางผู้เจริญธิดาเศรษฐีก็เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านเป็นอะไรกันโจร น, นางผู้เจริญฉันถูกจับนําไปในวันนั้นบนบานไว้ต่อเทวดาผู้สถิตยอยู่ที่ภูเขาทิ้งโจรจึงได้ชีวิต แม้หล่อนฉันก็ได้ด้วยอนุภาพแห่งเทวดานั้นเหมือนกันหนังผู้เจริญฉันมีความคิดว่าฉันจะตั้งพลีกรรมนั้นไว้ต่อเท พ, พ ย, ยดาทิดาเสตีนายอย่าคิดเลยดีฉันจะ ก, กระทำพลีกรรมท่านจงบอกท่านต้องการอะไรโจนก็เราต้องการข้าวมุตุปยาต ชนิดมีน้ำน้อยและดอกไม้มีข้าวตอกเป็นที่ห้าดีละนายดิฉันจะจัดแจงให้ทิดาเศรษฐีนั้นจะแจงพลีกรรมทุกอย่างแล้วจึงกล่าวว่ามาเถิดนายเราไปกันโจรหนังผู้เจริญถ้าอย่างนั้นหล่อนให้พวกญาติของหล่อนกลับเสียถือเอาผ้าและเครื่องประดับ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 ก็เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยโลกลงไปที่ปืนเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายจึงเรียกว่าผู้เขาทิ้งโจนนางยืนอยู่บนยอดเขานั้นแล้วกล่าวว่านายท่านจงทำปริกา ร, รของท่านเถิดโจนนั้นได้ยืนนิ่งแล้วเมื่อนางนั้นกล่าวอีกว่านายเหตุใดท่านจึงนิ่งเสียเล่า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 จำเดิมแต่นี้ท่านจงจำดิฉันว่าตายแล้วหรือว่าดิฉันจะเป็นทาสีของท่านกระทำหัตกรรมดังนี้แล้วนางจึงได้กล่าวคาถานี้ขึ้นว่าสายสร้อยทองคาเหล่านี้ล้วนสำเร็จแล้วด้วยแก้วไผ่ทูลท่านผู้เจริญท่านจงถือเอาทั้งหมดและจงประกาศว่าดิฉันเป็นทาสี โจนได้ฟังคำนั้นแล้วกล่าวว่าก็เมื่อฉันก็ทำอย่างนั้นหลอนไปแล้วก็จะบอกแกมารดาบิดาฉันจัดฆ่าให้ได้หล่อนอย่าคร่ำครวญไปนักเลยเมื่อโจนพูดดังนี้แล้วก็ได้กล่าวคำที่เป็นคาถาว่าหล่อนอย่าคร่ำครวญ น, นักเลยจงรีบห่อสิ่งของเข้าเถิดชีวิตของหล่อนไม่มีรอก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 แล้วไหว้เดโจนนั้นจึงกล่าวว่าได้นางผู้เจริญหลอนจงดูถนัดแล้วไหว้เถอดังนี้แล้วก็ได้ยืนอยู่บนยอดเขาในที่นั้นนางทำประทักษิณสามครั้งไหว้จนนั้นสี่แห่งแล้วจึงกล่าวว่านายนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายของดิฉันบัดนี้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 ถูกกระทบที่พื้นแห่งภูเขาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตกลงไปแล้วที่พื้นเทวดาผู้สถิตอยู่บนยอดเขาที่ทิ้งโจรเห็นกิริยาแม้ของโจรทั้งสองนั้นจึงให้สาธุการแก่หญิงนั้นแล้วด้วยคาถานี้ว่าบุรุษนั่นเป็นบัณฑิตในที่ทุกสถานก็หาไม่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 อาจกล่าวปัญหากับท่านได้ท่านจงเป็นบาทปริจาริกาคือเป็นภรยาของผู้นั้นเดียวหากผู้นั้นเป็นบนรรพชิตท่านจงบรรพชาในสำนักของผู้นั้นเถิดดังนี้ทิดาเศรษฐินั้นจึงได้มีชื่อว่าชัมผู ป, ปาริภาชิกาตามนามของไม้นั้น เธอออกจากที่นั้นเที่ยวถามปัญหากับผู้ที่ตนเห็นแล้วเห็นแล้วคนชื่อว่าสามารถจะกล่าวกับนางไม่มีเลยมนุษย์ทั้งหลายพอได้ยินว่านางชัมพู ป, ปริภาชิกามาแต่ที่นี้ก็ยอมหนีไปนางเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือตำบลใดเพื่อพิกษาจารย์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 ในเมื่อกิ่งว่าเก่าเหี่ยวแห้งเที่ยวไปโดยทํานองนี้ถึงกรุงสาวตถีปักกิ่งว่าใกล้ประตูหมู่บ้านพูดโดยนัยะที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละแล้วก็เข้าไปเพื่อพิกาจารณาเด็กเป็นนันมากได้ยืนล้อมกิ่งไม้ไว้แล้วในการนั้นพระสารีบุตรเทระ เที่ยวไปเพื่อบินด า, าทกระทำพัฒกิจแล้วออกไปจากเมืองเห็นเด็กเหล่านั้นยืนล้อมกิ่งไม้จึงถามว่านี้อะไรกันเด็กทั้งหลายบอกเรื่องนั้นแก่พระเทราแล้วพระเทระกล่าวว่าเจ้าเด็กทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงเหยียบกิ่งไม้นี้พวกเด็กๆพวกกระผมกลัวครับ พระเทระเราจะกล่าวปัญหาพวกเจ้าจงเหยียบเถิดเด็กเหล่านั้นเกิดความอุตสาหะด้วยคำกรรองพระเทระกระทําอย่างนั้นโหร้องอยู่โปรยทุลีขึ้นแล้วนางปริภาชิกามาแล้วดุเด็กๆ เ, เหล่านั้นกล่าวว่ากิดด้วยปัญหาของเรากับพวกเจ้าไม่มี เหตุใดพวกเจ้าจึงพากันเหยียบกิ่งไม้ของเราพวกเด็กๆจึงได้กล่าวว่าพวกเราอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เหยียบนางปริพัชิกาท่านผู้เจริญท่านใช้พวกเด็กเหยียบกิ่งไม้ของดิฉันหรือพระเถระถูกแล้วน้องหญิงนางปริพัชิกาถ้าอย่างนั้นท่านจงกล่าวปัญหากับดิฉันพระเถระ ดีละ่ะเราจะกล่าวนางปฏิภาชิกานั้นได้ไปสู่สำนักของพระเตระเพื่อตามปัญหาในเวลาบ่ายทั่วทั้งเมืองไปกับนางปริภาชิกานั้นเหมือนกันวหวพระเตระแล้วนั่งนะที่ส่วนข้างหนึ่งนางปริภาชิกากล่าวกับพระเตระว่าท่านผู้เจริญ ที่ฉันจะถามปัญหาแก่ท่านพระเทระถามเถิดน้องหญิงนางจึงได้ถามวาทะพันหนึ่งแล้วพระเทระแก้ปัญหาที่นางถามแล้วถามแล้วลำดับนั้นพระเทระกล่าวกับนางว่าปัญหาของท่านมีเท่านี้ปัญหาแม้อื่นมีอยู่อีกหรือนางปริบาชิกา มีเท่านี้แหละท่านผู้เจริญพระเทระท่านถามปัญหาเป็นนั้นมากแม้เราจะถามสักปัญหาหนึ่งท่านจะแก้ได้ไหมนางปริภาชิกาดิฉันรู้ก็จะแก้จงถามเถิดท่านผู้เจริญพระเทระถามปัญหาว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งนางปริภาชิกานั้นไม่รู้ว่าปัญหานี้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 ขอท่านยังดิฉันให้บันประชาะเธอพระเทระจึงได้บอกแกนางภิกษุณีทั้งหลายให้นางปริภาชิกานั้นบันประชาะแล้วนางครั้นได้บันประชาะอุบสมบทแล้วมีชื่อว่ากุนทนเกสีเทรีบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายโดยสองถึงสบมันเท่านั้น ตอนชนะกิเลสประเสริฐปีสุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าการฟังธรรมของนางกุลฑนเกสีเทรีไม่ได้มีมากกิจแห่งบัปรปชิตของนางถึงที่สุดแล้วได้ยินว่านางทรมหาสงครามกับโจรคนหนึ่งชนะแล้วจึงได้มา พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยถ้อยคําอะไรกันเนอก็เมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยถ้อยคําชื่อนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่านับธรรมะที่เราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากบน ที่ไม่เป็นประโยชน์แม้ร้อยบทไม่ประเสริฐส่วนบทแห่งธรรมแม้บทเดียวประเสริฐกว่าเดียวอนหนึง่งเมื่อบุคคลชนะโจรที่เหลือหาชื่อว่าชนะไม่ส่วนบุคคลชนะโจรคือกิเลสอันเป็นปายภายในนั่นแหละจึงชื่อว่าชนะเมื่อจะทรงสืบอนุสนติ แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าโยจะคาถาสตังภาเสอะนัตตปะทะสันหิตาเอกังธรรมะปะทังเสยโยยังสุตว่าอุปสัมมติโยสัจสังสัจเสนะสังคาเมมานุเสชิเนเอกันจะ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 คาถาสตังแปลว่าคาถาตั้งร้อยหมายความว่าก็บุคคลใดพึ่งกล่าวคาถากำหนดด้วยร้อยคือเป็นอันมากคาว่าอนัตถะปัะสันหิตาแปลว่าไม่ประกอบด้วยบทเป็นประโยชน์หมายความว่าประกอบด้วยบทตั้งหลายอันไม่มีประโยชน์ ด้วยอำนาจพันานาอากาศเป็นต้นบทที่ปฏิสังยุต์ด้วยธรรมมีขันเป็นต้นสมเร็จประโยชน์จึงชื่อว่าธรรมะประทังแปลว่าบทแห่งธรรมบรรดาธรรมะสีที่พระศาสดาตรัสไว้อย่างนี้ว่าบริพาโชคทั้งหลายบทธรรมสี่เหล่านี้สี่คืออะไรบ้าง บริภาโชตหลายบทธรรมคือความไม่เพ่งเล็งบทธรรมคือความไม่ปองร้ายบทธรรมคือความระลึกชอบบทธรรมคือความตั้งใจไว้ชอบบทธรรมแม้บทเดียวย่อมประเสริฐกว่าคาถาตั้งร้อยข้อที่ว่าโยสหัด ส, สังสหัสเสนะแปลว่าผู้ใดพึงชนะมนุษย์พันหนึ่ง คูณ ด, ด้วยพันหมายห้ความว่าผู้ใดไม่ว่าจะเป็นนักรบในสงครามพึ่งชนะมนุษย์พันหนึ่งซึ่งคูณ ด, ด้วยพันในสงครามครั้งหนึ่งได้แก่ชนะมนุษย์สิบแสนคือนหนึ่งล้านแล้วพึ่งนำชัยชนะมาแม้ผู้นี้ก็หาชื่อว่าเป็นยอดแห่งชนทั้งหลายผู้ชนะ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 ในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุเรียผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดัง น, นี้แหละเรื่องพระกุลทนเกสีเทรีจบในเรื่องของนิทานธรรมบทที่ท่านผู้ฟังได้ฟังที่มีการอธิบายส่วนที่เป็นพุทธพจน์อยู่นี้เนี่ยเราฟังเรื่องราวต่างๆใดๆแล้วเราจะต้องกลับมาตัวแม่บท และนี่คือหลักการที่สําคัญในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าเราจะฟังเรื่องใดครูบาอาจารย์ตรงไหนใครพูดเรื่องในชีวิตประจาวันอย่างไรเนี่ยพยายามฝึกที่จะกลับมาหาที่ตัวแม่บทใ น, นหลักฐานต่างๆมันก็มีเท่าที่มีอยู่ใน ต, าตาําราตําราก็เขียนไว้ว่างนี้่อาคุณก็มาอ่านมาทําความเข้าใจกัน่นเป็นข้อมูลชั้นไหนชั้นไหนเ ช, ชื่อตรงไหนได้บ้างมีความเชื่อถือได้มากหรือน้อยเราก็พิจารณาให้มันเห็น และถ้าในเรื่องราวต่างๆเหล่ า, า, านี้ทางดับฟังยังมีคำตามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆสามารถติดต่ตอกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือใบเษนอบัตรมาที่วัดป่า ด, ดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าไปที่เว็บไซต์ piotama.com puredha.mm.com กราพเจ้าพระมาหาภาัยบุญอภิปุนโนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร